เสร็จงานแล้วเป็นไรคนเท่าหาไม่น่าจะเหนื่อยคนท่านนคนที่น่าจะเหนื่อยเสุดคนที่พูดไป่ น, นี่ยอ๋อทำงานตอนงานหลัางงานสุดพวกเรางานเสร็จไปเสร็จแล้วไม่ได้ใช้อะไรต่อ อารเป็นบทเรียนให้พวกเราทุกคนรู้เรื่องแล้วก็ให้จําสิ่งที่เราทำสิ่งที่ดีๆเอาไว้ได้ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาในปัจจุบันไม่ดีให้ฝึกจังและบอกให้มันดีๆส่วนของไม่ดีอย่าไปจําไม่ว่าจะเป็นของเก่าของที่ผ่านมาหรือวันนี้ปรเด็นนี่คือวิธีฝึก หลวงปูเสด็จท่านเทพนู่นว่าปู่พานะสอนให้เราตั้งจิตในทางเรื่องศักดิจากทำอะไรต้องมีศักจากศักจากเบืงต้วนั้นก็คือความจริงใจคือความจริงมันต้องออกมาจากใจมีความิีใจเรื่องความใีามใจให้กัน ส่ความจริงที่เป็นข้างนอกที่เป็นจริยธรรมนั่นก็คือความจริงรอบตัวรอบข้างเราศึกษาเรียนรู้แต่ไม่ใช่ไปจำมาทั้งหมดแต่สภาพโดยทั่วไปคือไปจำของไม่ดีมากกว่าเพื่ง่ายคือบันทึกของไม่เหลือไว้ของนี้ไม่บันทึกทางด้านที่มันมีเยอะเนี้ยมือเยอบเวลาไม่เชอาใจขึ้นมา ความไม่ดีความดีที่มีอยู่ในตัวตนของเรามันหายมันระโกรกกันเนี่ยแทนที่จะเป็นความดีของเขาที่มาโกรกกันแล้วก็เราเป็นความไม่ดีที่กันอะไรกันส่วนความดีที่มีในตัวเขาเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นความดีสำคัญะกันทั้นทุกคนม่ดี ทุกคนเป็นดีทุกคนเราจะดีมากดีน้อยดีทางกายดีทางวาจาหรือดีทางใจมันต้องมีดีสักทางทำไม่มีดีสักทางมันอยู่ไม่ได้ไม่เป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้หมายแปลว่าทางความคิดก็ไม่ดี อ, นนอไดะไรก็ไม่ดีทางคำพูดที่แสดงออกก็ไม่ดี ทางการกระทำก็ไม่มีเยอะไม่มีดีสักอย่างโอ้โอยู่บนโลกนี้ลำบากแต่ที่กันคือเราหายใจจากใบไมนะ้อะไรติดทั่วไปเลยก็เรียกเป็นค่อนดีเพราะฉะนั้นเราฝึกป้องหันขอ ง, ของปฏิบัติทุกวันน่ก็เพื่อให้มีความดีทางกายทางวาจาทางใจสักทางในแต่ละวัน ต้องหาทางเกิดให้มัเกิดความดีกับตัวเองให้ได้โดยดูสนใจวิธีคิดวิธีคิดที่สำคัญมากๆในเรื่องการธรรมดาทด่สำคัญมากๆครแต่ว่าความคิดของมนุษย์ของผมเราอยู่ดีๆคิดอะไรลำบากทำได้คิดม่ดี เราคิดไม่ดีผลเป็นยังไงเรากต้องไปเจรจาก่อนเรื่องในขณะที่เราคิดดีมันเป็นยังไงมั น, นมีผลยังไงววเราก็จะเห็นชัดเจนเราจะเลือกเอาบทคิดรู้อยู่แล้วถ้าคิดไม่ดีผลเป็นอย่างไงพูดไม่ดีผลไป็นยางไงทําไม่ดีผลมเป็นยังไงแต่ที่ขขนน เ, กเกี่ยวกับคนเราตัวเราขาดชอบไหมสังคมชอบไหม เราโลกเขชอบเราไหมเขาไม่เคยชอบนะาแสดงว่าเราทําในสิ่งที่คนไม่ชอบแม้ตัวเองก็ไม่ชอบเพราะนั้นเราไม่ชอบอะไรเรอย่าไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นละแอกง่ายเราไม่อยากให้คนอื่นพูดจ า, า, า้เราก็ายามไม่ยอมทายคนอื่นเราเราอยากให้คนอื่นคิดดีกับเราเราก็ต้องคิดดีคนอื่นเราคืบอบวกกับบวก มันใช่ไปเลยล้วเขลบอกหากันไม่ดีสักอย่างมนุษย์หรือคนเราท่านไม่มีดีเกิดเป็นคนไม่ได้ล้ว เ, เกิดเป็นคนได้แสดงว่าเรามีดีแต่เราต้องอยู่เสมอที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วเรามาต่อยอดความดีเพื่อความดีให้มันมากขึ้นอย่าให้มันลดกว่าเดิม สถานะต่อไปอนอนาคตอย่างน้อยที่สุดคือสำรวจตัวคือความเป็นคนคือกลับมาเป็นคนอีกกอยังดีถ้ากลับมาคราวหน้าเป็นคนไม่ได้นีหัวตาเขยนนะคะตาเจมดเหมือนกันหม ด, หหมดแต่ว่าทำความดี ไ, ได้สิงสาราศัตร์ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยมีหมด บนดินใต้ใดินใต้ใ น, น้ำบนอากาศเราก็เห น, เหนื่อยกันหมดนี่เหมือนเรามีก า, าห้ามเหมือนเรามีรูเวทนาเป็นการังมีอย่างเหมือนเราแต่ว่าพัฒนาไม่ได้เลยนี่คืวามแตกต่างะัะนั้นเรามาเป็นคนในจำนวนคือเ่าพัฒนาเราในเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนาที่รทแราปฏิสังกันคือ เราไม่นคนชี้นะคือพัฒนาคดคือผู้ใจจางเป็นผู้บอกเป็นผู้ชี้เป็นผู้แนะนำแล้วเป็นผู้นำให้พวกเราตางตามไอ้ชี้แล้วนําแล้วแนะแล้วแต่เราไม่ตามจะไปโทษใครนาปนะโทษผู้ใจจางพัฒนาค์ไม่ได้ความของเราทุกคนในแต่ละวันก็คือหาข้อดีกับตัวเองเยอะ แล้วก็ต้องเราจะได้ทานเกิดทางจำให้จำในของดีๆของไม่ดีจะเป็นจำแต่ตอนเช้าตอนหลับตอนนอเจำของไม่ดีนเป็นความดายมไม่ดีขนาดร่างกายสังขารมันทาอะไรไม่ได้แต่จิตมันไปเปล่แต่งข้ปาก็ดนมันมีสติตอนควเป็น มนลษสมบหรือแบบก็คือคนที่มีสติมีอิเล็คนที่มีสติสมบูรณ์แบบในประเภทเดียวในโลกนี้ก็คือพระอาหารหันต์ดังนั้นก็ไปถามจระเข้นิสัยคนนิสัยนั้นแล้วแต่บุคคลถึงแม้เป็นพระอรหันต์นะครับไม่ได้ใส่นะนล้วรต่ความจระเรข้นิสัยหรืออุปไปใสท่ที่ตัวมา นิสัยมันแก้ไขได้แต่ที่มันอนุสัยคือมันติดคานใจให้เราไม่รู้วิบวิชาติ่างยิ่งแก้ยากผลนิสัยก็เกิดจากการทําซ้ําอะไรก็การที่มันทําซ้ําๆท่านดีหรืไม่ดีถ้าเราทําซ้ําเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นนิสัยแต่ว่านิสัยมันยังแก้ได้แก้ได้โดยการอย่าไปคิดซ้ำพู้ซ้ำทําซ้ําเพราะฉะนั้น ถ้ารู้อะไรมันไม่ดีก็อย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทำํำซ้ำๆมันจะการในความจําเมื่อเราต้องอาขยามัะพูดซ้ำๆตามๆมากระจายมันเป็นหน้าที่ของมันจิตมนไตที่จัแหลงมันก็ต้องนํามาระวังการสอนคนอื่นกับสอนตอนเองต้องควบคู่กันไปถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าเรายัางไม่พร้อม การสอนคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องง่ายขั้นสุดท้ายมันก็จะเป็นลูกศรเวกประหาตัวเองคือเข้าเนี้อเรายัางไม่ดีพอกำลังก็าาหาความดีกับตัวเองเยอะๆหลัก ง, ง่ายๆก็คือทําอะไรก็ตามคำว่าทำอะไรนะ้นหมายเรือของความคิดเรื่องของพูดเรื่องขอ ง, ของ ก, ก, การกระทำสามอย่างนี้คือถ้าเราทรําไปแล้วเนี่ย อย่าให้ตนเองเดือดร้อนอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นแหะคือความดีแต่ว่าทําไปแล้วตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนนั่นไม่ใช่ความดีหเราคิดว่ามันบุญเป็นเแต่ทำแล้วมันเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่ความดีเพราะนั่ความดีคือมันเหมาะสมพอดีอย่าให้มันเดือดร้อนอันคือหลักง่ายๆธรรมดา ลรวก็จะเร็นกันเลยบริการนวัตระวังเป็นหลที่พุดย้ำทุกสมัว่าบุตนิยมการนวัตระวังโดยมสัมรวปจากพระในสัมรูปโบันณฉันก็สำรวจเสร็นแล้วตัวตัวไปในชีพจัญังสุดท้ายปลายทางคือสุสติให้มีสติตัวนี้สำคัญที่สุดสำคัญมากๆส่วนโลกที่พวเราอยู่กันเนี่ยเราอยู่กันมานานแล้ว เลยไปให้อยู่กับธรรมมันให้รู้จักธรรมมัไม่ใช่รู้จักเป็นโลกโลกโลกอย่างเดียวมันเอาอะไรไปไม่ได้นลกส่วนธรรมโดยธรรมะโดยสติพูดถึงธรรมะกคุ้นสติ่วนถ้าใครในสติคนนั้นก็คือธรรมะตอนนั้นแล้วฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมันต้องกาีหมายประทางโดยสติจะเรียกอะไรก็เรียกไ มันจะกระจายไปถึงประสูนย์ก็เป็นในวิถีธรรมมันคือบนโลกที่เราพูดเรื่องอดีตนะครัปัจจุบันประสูนย์ก็คุยเรื่องอดีตเจือสูต่างเอกันสมยางพระวาส่วนหนึ่งพระอุทิศยาะก็เล่าถึงอดีตไปตามมาแต่ว่าพอเรีนเป็นอดีตทีทีมันเป็นความดีในเพราะถ้าจะไม่เล่าออกไม่ดีสระไปธรรม เพเช่นเดียกันทําเป็นเรื่องละเอียดที่เยืดแต่ยืดออกไปในตัวตนของเราเขาเนี้หาคือคติธรรมในที่ในี่คืออันนี้ต้องมาใช้มาใช้จริงจริงเบื้องต้นบางอย่างมไม่ไม่เกีออ่ยวกับเวลาเพื่อเพื่อนแต่เล่าให้ฟงังเคยเป็นอย่างไี้เคยมีอย่างนี้วุ่นวายวฟังไหไม่รู้จะทํามาอย่างนี้แต่มันเล่าให้ฟังโดยพระอนุโม น, นั่นคือหลักใจใจความเบื้องต้ เจพถึงนเวลาสถานที่คคอบอนนุคคลคับนั่นคือประสูตในความหมายในรชาเราเพื่อให้ทำในตัวดแต่เยอะละเอียดก็อคือสศิโพยีงไงคือในตัวตนขเราแยกกัไม่มีอะไรตัวแยกจำไม่มีตัวไม่มีตัวบ้า น, นมเรามีเขามา่ได้วานัตตาเยกเป็นขนาดนั้นมีก็เท่าอภิธรรมส่วนด้นในก็คือศีลนี่แหละ งายเพระนั้นทุกอย่างมันต้องครบในตัวเราในวันๆหนึ่งถ้าจะมีการเรียนรู้อะไรเนี่ยมันต้องครบทั้งหลายอย่างคือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังในความดีมาเยอะนะเพื่อโซนนั้นเองอภิธรรมเขารู้จักแยกแยะตัวตนเราเขาเนี่ยแยกว่านั่นเรื่องเรานั่งเรื่องเขาประเด็นเขาก็ไม่เแย่อะไรกับเราที่เราเป็นวิี้ที่เขาเราต้องจัดการบริหารตัวเอง มีความหมายเราว่าอาพิธามไม่ใช่ไปจำจิตเจตสิกที่ผ่านอันนี้คือวใจไว้ทาจิตเจตอื่นนี้เขาก็เรียนกันอย่างนี้เรียนจนจนจนจนตายกบเข้ได้ความจที่ทำปิบัติไม่ได้อะไรมันได้เกิความจำอะไนไปทำระสูตพระวินัยเนี่ยจะเป็นทางใจและต้องใช้ทุกวันอยู่ยนั้นไม่ได้เลยเรื่องเป็นกลั เราต้องอยู่ในกรอบวันนี้เราออกนอกกรอบวันนี้ไม่ได้เมื่อจะเป็นกรอบเล็กกรอบใหญ่กรอบเล็กคือสินห้างใจคือรายสินแปดสิบสี่สองร้อยมันก็อยู่ที่กายาจใจแค่นั้นเองสินกับธรรมก็อยู่แค่นี้ไม่ได้มากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเอืงเรื่องทต้องศึกษาเรียนรู้ทำควาเ ข, ข, ข้าใจแนะนำประสบการณ์ปฏิบัติอย่างแท้จริงก็คือแค่นั้นเองไม่ได้หเยอะๆในชีวิตประจำวันพการทางสิ่งเหล่านี้ บนวิญญาณอยู่ในชีวิตประจาวันของเราคำพวิญญตณไอยู่นเรื่องของคิก็ให้อยู่ในเรื่องเหล่านี้คาพูดก็ใหอยู่นเรื่องเ่ีการกระทากาลงมือปฏิบัติข็ให้อยู่ในเรื่องหลนี้อ่คือการปฏิบัติแล้วการเจอต่างๆก็ยุคปรัติของวุจิาแล้วเรื่องทั้งหมดต้องมีทังควรมันดีโดตัวตนของเราการธรรมะใหญ่ก็โยกยกไปมา อยู่ในหมดข้างหน้าข้างบน้างดีข้งเสียมันอยู่ในตัวของเราหมดนะไม่หน้าตัวหน้าตนหนอาเรานะเขาขวาเนี้คือสาราเกษตรป่าพวกเราเช้าวันนี้เราก็เดินเดินมาเยอะแล้วก็ทุกมย้มก็เดอีกั้งเพื่อเรามีสติสภาพัญญาอุษมบณ์บริบูรณ์มากขึ้นโดยความจึิงือ ให้น ja ึกถสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันกาะจ่ายทางไว้ให้ช่วยอะไรก็เอเตอสัจเจนะด้วยบริษัทนี้คือสิ่งที่เราทำนะสิที่ความดีนี้แหละความดีนี้จะเป็นคนช่วยคนจนอดนอนดูเราให้ความเจริญเจริญแบบโลกเจริญระดับธรรมกับเรื่องนั้นเรื่องโลกเราเจอมาเยอะแล้วคือเราให้เจริญธรรมบ้างการทำได้ความเจริญแล้ว มันไม่ใช่เจอแค่วันนี้เดียวนชาตินี้มีผลตรองชาติน้าเพราะจิตมันต้องไปต่อมาตายเฉพาะกายกายนั้นมันตายก็คือขันห้ามมาต่อเนื่ี่ไม่ได้หลุเพินาสัญญาพิจารณาเกิ่ตัวจิตต์มันไปต่อตัวนั้นสำคัญที่สุดแต่ตัวเราตัวจิตสําคัญที่สุดจะไปมุวงที่กายวงลงวงเริมจนเริ่มจนหลงจนเป็นโมหะมันคิดว่ากาย ความลงมือกันเข้าใจใส่กันกันหาใจใส่ใจให้มากได้สุดต่อไปมากได้ขอภาวนาขอถือพเราทุกคนเริ่มต้นมาดังไรจนก่อนงานในกระดาษเื่งานทำงานแล้วก็ความความดีอันนี้ที่พวกเราทำทั้งหมดนี้จะมีผลทอบย้อนสื่อบรรลุของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้่ทุกคนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้น จงเป็นผู้ที่สื่อแนแหลมบนนี้ที่เผื่อหลายได้จะทำบารมีทุกครั้งที่ผ่านมาก็พออดมัท น, นา